อันธมยังพุท ธ, ธานุสตินยังการมะเสตังโกปานาภาคขวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัะโตอาภุคตโตก็กิติศับ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภาควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาระนังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสธรรมาสารี เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ภาคขาวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทมสั่งสอนสัตว์ดังนี้